275โดยเฉพาะพ้นมิจฉาชีพข้อที่หนี้บุญตั้งแต่ต้นส่วนมิจฉาชีพข้อที่หานั้นคือผู้ทำงานไม่รับลาบแลกลาบลาเพนะลาพางนิชิกิงสนตาจิงคือทำงานฟรี ไม่รับของแลกเปลี่ยนจากการทำงานไม่ว่าของแลกของแรงงานแลกของหรือแลกลาบยศสรรเสริญสุขใดๆก็ไม่มีการแลกเป็นค่าการทำงานทั้งนั้นต้องละเอียดประนีตให้ดีๆนะว่าลาบที่คนอยากได้มานั้นมันมีตั้งแต่ ลาบวัดถูกข้าวของแล้วก็ยศชั้นตำแหน่งและต่อไปละเอียดถึงขั้นสรรเสริญชมเชยยกย่องแล้วยังมีแลกสุกบำเรอกามที่สุดก็ยังมีแลกสุกบำเรออั ต, ตาที่ไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสยดสีภายนอกแล้ว บำเรอใจสดสดของตนที่มันต้องการนอกเหนือจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเศดสีภายนอกเป็นภายในเฉพาะหนึ่งไม่รับแค่ทางกายภาพภายนอกก็พลมิจฉาชีพได้เป็นเบื้องต้นซึ่งเป็นขั้นหยาบขั้นใหญ่แล้วก็พ้มิจฉาชีพไม่เป็นหนี้ใครแล้ว มีแต่เป็นเจ้านี้แค่นี้ก็ชื่อว่าเกิดบุญแล้วตามปรมัาสัศ จ, จะในส่วนที่เราได้ให้ได้เสียสละนั้นๆสิ่งที่กิเลสมันอยากรับอยากได้นั้นจากอยากก็ขั้นลาบต่อมาก็ขั้นยศต่อมาอีกก็ขั้นสรรเสริญ ที่สุดขั้นสุกจนที่สุดขั้นอุเบกขาที่ยังเป็นพบเมื่อจิตยังมีอยากรับอยากได้แม้แค่อุเบกขามาบำเรอใจที่อยากก็ยังเป็นอัตตาผู้ที่อยู่กับหมูและทำงานทำการอยู่กับหมูเต็มความขยันปกติแล้ว ไม่รับไม่เอามาให้ตนแค่ภายนอกนี้แหละคือผลมิฉาชีพที่สามารถรู้เห็นกันได้ทั่วไปเป็นความจริงตามสมมุติสัจจะเว้นแต่ว่าเราอยู่กับหมูกินแรงหมูทำงานไม่คุ้มค่ากินค่าใช้ ที่เรากินเราใช้อยู่กับหมูเราก็เป็นหนี้โดยธรรมแน่